การปฏิบัติทงาศาสนาที่ตามปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเพื่อให้ถูกต้องตามเสียคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนี่ยสอนเอาไว้สิ่งใดที่เราเคยพูดเคยทําเคยคิดในมือนี่ยคิดเราต้องหักแหงเพราะความคิดของเรา จิตใจของเรามันเป็นใจิตใจที่ชั่ว ท, ทิ่เสียคือเป็นไปด้วยี่เลตปัญหามานาทิิต่างๆเปลี่ยนทรามคาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นของบริสุทธิ์ก่อชำระกายวายจาใจของคนผูกประพิปฏิบัติถึงจิตใจยังไม่หลุดพ้นต้อ จ, จาก เรื่องวิเลตสัญหาแต่แค่ว่าผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตารักษาปริบัติปฏิบัติตามอาจธรรมที่กันแนะนผถูกต้องดีงามคนนั้นก็จะมีความเยือกเยน็นมีความเป็นสุขภายในตัวเพราะสิ่งที่เชื่อทีเสียต่างๆทีงมีอยู่ในใจเราก็ระวังรักษาเอาไว้ มาเหตุใจไปทำวายชาดยพูดถึงใจจิดก็อนมีสติหักข้ามหลาบตามไม่เหตเเเุใจเลยเถิดเลยแดงไปในเรื่องชั่วเรื่องเกี้ยต่างๆยิง่งที่เจนาศึกษาในหลักธรรมที่พระพุทธเ จ, จ้าทรงเลี้ยสอนเอาไว้มาดั กายวายใจใจของตนคนที่ ป, ประพิตปฏิบัติอย่างนั้นถึงยังไม่ถึงขั้นอรหัสตอรหันต์แต่ก็เป็นที่หน้าเลื่อมใสศรัทธาของชา ย, ยกชา ย, ยิกาสังหนอะเพราะเรื่องธรรมเรื่องดในสี่ท่านทรงมันญัดเอาไว้เป็นเรื่องละเอียดดัง ความสวยความงามให้เก BER ิดขึ้นแต่ผู 9, 19, ้ประพฤติปฏิบัติการจึงกล่าวไว้ว่าอาธิการยาณังงามไม่นึ่งตนคือศีลผู้ที่มีศีลใส่จำกายใส่จำรายชาทั้งตนคนนั้นเป็นคนงามถึงรูปร่างกลางตัวภายนอกจะไมีสวยงามแต่ที่เราทำเป็นไปทั้ง การทำการพูดของเขาถูกต้องหน้าเรื่อนใสน่ายินดีน่าพอใจคำพูดของเขาออกมาก็น่าเชื่อถือเพราะพูดคำสัพท์คำจริงคำเป็นสาระประโยชน์ไม่พูดเล่นพูดเพลินไปในทางโลกทางสงสารนี่คือซีน ทาบุคคลให่งามด้ยกิริยาไาร่ยากคนที่มีศีลไปอยู่ในสถานที่ดใดใครเห็นก็ชอบกายินดีเพราะศีล น, นั้นเป็นอธิกก า, ายานางคืองามในเบื้องต้นคนที่มีศีลจึงเป็นค น, นงาม ในความประพฤติปฏิบัติของเขาพระคุทธเจ้าจึ ง, งทรงสลายเศีสนแต่ศีลเป็นเด่งสนถ้าไม่มีศีลคือการประพฤติการรักษาการทำการพูดของ็นแล้วคนนั้นไม่มีหวังที่จะเกิดสมาธิมีปัญญาละชีลิศเพราะความชั่วยัดหยากเขายังละไม่ได้ เขายังทำเขายังพูดเดี๋ยความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจภายในจะเป็นอย่างไรในต้องสงสัยว่าเขาจะดีจะวิเศษได้เพราะต้นของมันไน่มีดอกผลมันจะเกิดมีมาจากที่ไหนถืนเป็นเรื่องต้นที่ทุกคนจะควรรังสรงบนยิ่งเป็นนักบวชศีนของพระก็มีอยู่เมื่อ ศีลท่องเล่นก็มีอยู่มากเหมือนกันแต่ท่าน่าวไว้ศีลสิบศีลทั้งร้อยอ่สิบเจ็ดแต่ศีลเฉพาะที่รับจากการบวชหรือมาในพระปฏิโมกข์จะศีลจริงจมีมากภายในมีกั้งสหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ใช่สูตรเหมือนกันคำแม่หนึ่งสี่พระธรรมขันธ์ เป็นปรมามัดเสีเยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมสี่พันเป็นพระวิมัยที่ทําั่วหมื่มันเป็นขึ้นหนึ่งพระสุสยวิมัยขึ้นหนึ่งของพอระปรามอดตามตำรับตำลาาะนั้นไม่ใช่ไนี้ไปแจกอย่างสองร่อยยี่สิบเจ็ดเท่านั้น ภายิทในขอพระยุตุมีมากเป็นหนึ่งนึของสามาเนก็เหมือนกันสามาเนียก็คือเหล่าปว่าของสมณะผู้รักษาความสงบผู้มุ่งมั่นในการหลุดพ้นไม่เคยมาบวชเริ่มบวชเพลิบบวชขุดบวชคุยบวชสะสมชีเล เมื่อบวชเกียัสมักษาสางขกายรายจายใจของตนจึงว่าชีจริยงานในดวงตนคือศีลศีลของเราขาดตกบกพัองบางร้อยจะหายที่ไหนตรวจตาที่เจอนากายรายจ่าองตัวมีอะไรชั่วอะไรเสียผิดเพี้นรักษาควรจะพิจารณาปฏิบัติต่อไปหรือดีเก็บไว้ทุกสิ่งทุอย่าง ถ้าหากดีแล้วจิตใจใจะนนมีการว่ราวุ่นขุ่นเคียงเลยการพูดการทำของตัวจิตใจใจะยิมดูเลื่อนใส่ในสีมทั้งตัวม า, มาเจริญยามงานในธรรมการคือจิตใจเป็นสมาที่จะมาทธิคือการหนักแน่นของใจ ความลงรวมของใจความเห็นไทยในวัฏฏะสงสารสมาธิคือความแง่นซ้อนในห้งไหลตาได้ดูหูโดยฟังในเอียงไปตามอารณทันยางตามรูปตามเสียงเหนั้นจิตใจตั้งนั้นยนดีทีา นักแน่นในเหตุในผลเกี่ยวกับสมาธิคือความหนักแน่นของใจในเลาะเละ เ, ละ เ, ละเละหลวไหลไปตามเรื่องของโลกที่นี้ที่เจมาทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่อ ง, น, งนั้นนั้นใจมัน่ในใจทนทานในเหตุในผล คืองเดียวกสมาธิคือความหนักแน่นของใจพอเห็นรูปกลมันเดี๋วคิดแต่มันสวยมันงามดีใจตามสัญญาอารมณค์คงยิ่ลือริญหาและยินเสียงสันและเสลมินพากว่าทำนองเดียวกันใจมันมั่นใจมันเหนียวแน่นใจมีหลักฐานเที่ยงตรง ไม่เด็คิดบกวนไปในทางชั่วทางเสียหนักยื่ในอัดในธรรมในศีล ใ, ในสมาธิในปัญญาในหนักไปในด่านกิเลสจัญหาด่านโลกด่านสงสารจึงเหี่ยวกว่าสมาธิคือความหนักแน่นของใจแต่เพื่อปฏิบัติดังใน รูช้ชัดเห็นจริงก็ไม่ยอมขอทุเลาขอถอยตั้งหน้าต่งตางรักษาขอวัดปฏิบัติอัรรมติดครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าแนสอนไม่ปล่อยใจให้เลือ่อยไปในสัญญาอารมณ์ฝ่ายต่ำตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานที่อุปช า, าอาจารย์แนสอนเอาไว้ มีคือใจมีสมาธิมุ่งมั่นในการเจริญปัญญาปฏิบัติไเขั่วบวเพลนดีอยู่สม่ำเสมอเนี่ยตัวของตัวมีสมาธิความหนักแน่นอย่างนั้นในวันไหวตามสัญญาอารมณ์กิเลสตัญหาต่างๆความสุขความสบายมันก็เกิดขึ้นเพราะสมาธิ เป็นทำงามไม่ทำตางเทีีมีสมาธิในจิตในใจมีความหนักแน่นในเหตุในผลกำจัดนิวรทั้งห้าถึงเป็นขาศสิทจิะทําสงบของใจให้ตกไปจิตใจในรั่วไหลไปในทางสั่วทางเสียทกานจึงอยากสมาธิควอทีมะ มีสมาธิแผ่นจริงแบบเป็นคนงามมาันรสงามพอรูปร่างกลางตังตวผมขนแล้วฟันงามอย่างนั้นอย่างนี้ที่ชาวโลกเขาทีกันนั่นมันตาฝ้าตาตาต า, ามืตามัวคนจี่ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าสวยวางงาม แต่ทางธรร ม, มเคือีมีสมาธิทผ่นดิที่เจรนาอย่างนั้นที่เจรนาขาดขันของตัวของตัวเองให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ปรกโภกในว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันไม่มีอะไรเป็นของที่หอมหวนชวนดมไม่มีอะไร เป็นของสิสวยงามน่าจูบน่าชมนี่เพื่อพู้ที่ทิยนาไปตามอาจทหยิดหนักแน่นในวอกแวกเอียงๆไปตามเดืยนลมปากหรือจีเรตันหาแต่จริงว่าเป็นสมาธิไม่มีความสงสัยลังเลนในใจมีจิตใจดิ่งลงไปในอาจในธรรม่ายเบียย เน ม, มีสมาธิความหนักแน่นในใจเห็นอะไรในบอกแหวะใจได้รับความสุขความสงบจากการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเั่วของตัวเองก็มีความสุขมีความสบายในวุ่นวายเดือสัญญาอารมณ์ต่างๆคนอื่นที่เคาเดือดร้อนวุ่นวายมาเห็นเขา้าเขากลยเรื่มใสยินดี ในจิตในใจของเขาเพราะท่านเหล่านั้นหรือคนคนนั้นมีความตั้งมั่นมีความเป็นธรรมเขาจึงเลี่ยมใสเขาจึงยินดีมีศรัทธาในบุคคลที่มีสมาธิมีคือสมาธิทำงามในธรรมทานปัญญา เป็นคาม ง, งามที่ศุกดสันบ่าปริโยสานะจระิยานะงามในเบืองใายคือปัญญาปัญญาคือความหอับรู้ในกองสังขารอะไรสังขารคนที่เคยศึกษาตำรับำรํำราก็ไม่าบแต่สังขารคืออะไรสังขาร ก็หมายถึงสังขารนอกก็มีสังขารในก็มีสังขารนอกสิ่งที่เปล่งแแปงถื่วไปอะไรวะกูยืิหารรถเบือบ้านช่องต่างๆนานาตลอดถึงสัพ์บุคคลเป็นสิ่งที่เป้่งแแปลงขึ้นมาจากสังขารนี่คือสังขารภายนอกสังขารภายในคือใจ จีดงจีดชิดรียว่าผัวในเรื่องของสังขารสัพเพสังขารานิจจ์ขินเชือสังขารไม่ว่าสังขารนอกก็ดีสังขารในก็ดีในเที่ยงเนื่อมันในเที่ยงมันก็เกิดทุกข์และบังคับไม่ได้ตามใจหวังของตัว ให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นให้เป็นภายในของตัวจิต เ, เสื่อปัญญาไม่เคยได้จามาเดียเกิดปัญญาจาํจามาได้ศึกษามาได้ก็เป็นปัญญาขั้นต่ำไม่สามารถทีถ่จะทําจิตทาใจของตนให้เยอกเย็นมิเห็นเป็นจริงได้ ท, ทั้งๆสิริอยู่จะแก้หายใจของตัวหน่ได้ว่าโลภโกรนหลงเป็นของไม่ดีแต่ตัวก็ยังมีโลภโกรนหลงอยู่นี่สิว่าเปลี่ยนใจได้ในเปลีภายในใจถ้าเป็นไปภายในใจของเสียจริงจังไม่เป็นอย่างนั้นท่านอุ้ท่านเห็นแก่ตกไม่มีอะไรที่จะข้องจิตในจิตในใจจุกทุกข์จึงเรียกว่าเรียนนา โดยเฉยเคยคากลัวทราบกลัวมีเหมือนกันกับคน ธ, ธรรมดาคนธรรมดากว่าทราบผู้อยู่เคยศึกษาสําหรับตำราผูดอยู่เคยได้ยินจากครูบาอาจารย์แต่มันละไม่ได้มันขส่ใจในจริงมันจึิงหลงเราต้องมีปัญญาให้ถึงฐานของมันปัญญา ที่ท่านเก่าไว้มันมีหลายขั้นขั้นหยาบขั้นฟางขั้นละเอียดอย่งที่เจรนาในเรื่องของสังขารธรรมภายในเป็นปัญญาละเอียดเข้าใจชัดเจนในสิ่งต่างๆรู้เห็นในใจของตัวในใจเพียงจะ่จําได้เท่านั้นเป็นการขับไล่ความสงสัยลังเลต่างๆ ต, ง ต, งตกไป เป็นจิตใจในจิตข้อง น, นี่คือปัญญาภายในคือใจมีปัญญาสามารถละสิ่งที่ควรละให้ตกออกไปได้เป็นจิตใจบริสุทธิ์ทราบอีกเพราะพดดาาระพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้ไม่ใช่คำสอนของผู้หลงผู้ประพฤติติบั ก, ก็ไม่ใช่คนหลง เป็นคนรู้เรายังมีที่เหลืออยู่เราเก็ือเรื้เราเบาบางไปจากที่เหลือเราเก็รู้เราเพิ่มจากที่เหลือเราเก็รู้ความรู้อันนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนโดยการฝึกฝนโดยการอบรมโดยการบําเพ็ญภาวนาท้าเข้าใจ ภายในตัวในใจจำได้แล้วก็หมดความสงสัยมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหาก่านหมดความสงสัยโดยการจำได้มันไม่มีใครที่จะจุดข้อเพราะการศึกษาละกิเลสมันต้องประพฤติปฏิบัติโดยตัวของตัวแลยสอบสื่ดูภายในเตใจอยู่สม่ำเสมอเหลยวใจท่องตัว แต่ก่อนใช้จิตรู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมาระยะนี้เป็นอย่างไรเมื่อไปโดนสิงเหล่านั้นเข้าจุดของเรายังหวานไหวยังว่าวเวยังเย็ดถือหรือไม่เปดี ต, ตาที่เดร น, นาพอเห็นเข้าใจของเรามันยังติดขอ้อในรูปแบบนั้นหรือไม่ สองพิจนาภายในตัวของตัวเสียงของมือนกันถ้าหากมันละเอียดเข้าไปจึงเหล่านี้มันทราบดีว่าเป็นเพียงสมมติเกิดขึ้นมันก็ดับไปส่วนหยาบมันก็มีโอกาสเวลาตั้งอยู่นานนิดหน่อยส่วนละเอียดมันก็ดับไปเร็วมันเป็นอย่อย่างนี้ตาของเราคือใน เหนมาก่อนรูปมันก ja er. ็ม mm ีอยู่แล้วพอไปเห็นเข้าไปม่านไม้ใหญยิงใหญ่ทรายละเอียอสวยงามต่างๆปัญญามันทราบมันจึงไม่หลงอย่ารูปสักแต่ละรูปเท่านั้นเราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่มีอะไรที่แตกแตกต่างกันนี่เราเห็นที่เจริญาอย่างนั้น พอเห็นเท่าก็ไปยึดไปถือแต่มันดีมันเด่นมันสวยมันงามเกิดทวามกำหนัดยินดีเห็นก็ไม่ดีเท่ากันตัณยจิตใจวุ่นได้ว่าโวยได้หนึ่งามพอดีทองามให้จิตไม่เ็มมัดิตมาไม่มีปัญญาที่จะทาจิตองนให้เฉีบตรงให้สงบ ทำแบบปัญญาตรงแรกวิธีทวนสังขารที่คิดเป็งภายในถ้าหาสทิศระยะมันบ้อนขึ้นมันถุดขึ้นอย่างไร้ซ่าคือสติมันหนีไปจากตัวมันดูภายในอยู่จะมันเสน้อไปเืิดไปสำคัญมันไม้ไหยหลายิ้นใหชายให่หรืาหรจากเสียงมันก็เกิดขึ้นไปจาก จิตเนใจเป็นนั่นเองเกิดขึ้นจากที่อื่นตาตาอาจในนีความหมายภายใ น, นเพียงขึ้นอย่างไรก็สงบไปดับไปมันเป็นธรรมด า, า, าถ้าตาเป็นพิเลนถ้าคุณต้องเจ้ากว่าถึงคักตาออกถ้าอราหันต์อรหันต์ก็จะต้องสลายตาของตัวนี่ตานม่ได้เป็นพิเรนไ่ด้เกิดลาค่าตั้หา แต่จิตมันเป็นที่เลอะจึงควรทำลายจิตของตัวการปฏิบัติต้องดูภายในไปเก็บภายในรักษาภายในหายใจในรอบครอบใจในนปัญญามันเลยทันตามเรื่องของตาของหูจี่ไปเห็นไปเลยยินต่างๆมันเลยนํามา เนสัญญาปงขึ้นหมายเอาฉังขานปรุงขึ้นปัญญาหมายได้แต่อันนั้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้ก็ได้เกิดความยินดีเกิดความเสียใจตามสัญญาอารมณ์ที่ปรงไปพอใจนึ่มีปัญญาละถอนยิ่งเหใจมีปัญญามันมีโอกาสเปลื มีทางคือจะตัดจะดับมันแ ล, แล้วสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นมันก็ดับไปเราไม่หเห็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้มันมีมาไม่เคย่ารูปเคียงสิ้นลบเราจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่เหมือนแต่ปัจจุบันคนคือลุ่มหลง จะต้องเป็นทุกข์เพราะความยึดความอยากความกำลังยินดีคนที่ไม่รู้เรืองไม่เกิดทุกข์เกิดทกเพราะสิ่งเหล่านั้นก่อตัวแต่ไปเท่ากับแต่สลายโดยตามแนบกขีดของมันนี่คือเรื่องปัญญาที่จะสอบสื่อจิตใจของตัวถ้าหากมันเห็นมันเป็นภายในแล้วมันไม่มีอะไรต้องใสย มันจะดาดได้เขิใจตามเป็นจริงเรามาบวชคือมาฝึกอบรมสีงสมาธิปัญญาท่านเรียกว่าไปศึกษาคือเป็นคิท่ที่ผู้ประปฏิบัติจะต้องศึกษาไม่ต้องไปศึกษาอนอื่นศึกษาในไจสึกษาคือสีงสมาธิปัญญาผถนี้ จิตใจจะรู้จะละสิ่งทีควรละให้ตกออกไปใจที่เคยมื่อบอดจะสว่างไว้ใจที่เคยวุ่นวายจะสงบสุขนี่คือการปฏิบัติ่ใชบัตาเยี่ยมมาได้ก็อพอแล้วแต่จิตใจมันยั ง, ยงวุ่นวายขนาดไหนไม่เคยมองดู ภายในของตัวแต่ตัวรู้ตัวเข้าใจพอที่จะคิดได้ก็เป็นพอใจใจมันดังจึดข้องยึดถือในสิ่งต่างๆมากมายขนาดไหนให้ทุกแต่ตัวอย่างไรไม่เคยมองดูภายในเมื่ไม่มองดูภายในมองดูแต่ภายนอกว่าเราเป็นพระเป็นผูประเสรแล้ว ถ้เราอาบผัวไปในว่าผูวน้อยผัใหญ่เขามาสาบมาว่าก็จะยินดีเต็มใจแต่นะโถโถโล่าดีแล้วจดกีดขัดปัญหาภายในเป็นอย่างไรเป็นพะนนระเป็นเงินได้ไมเปรนเศษด้ไหมใจงบเป็นธรรณะด้ไม่หรือใจ ย, ยังพุ่งยงังจึงยังจิกยังคลองยังเศรยยียยังมองยังไหลไปในสายต่าไม่เดสลสลัม่เหลืง เมมองดูภายในของตัวถ้ามองดูภายในของตัวเห็นมันชั่วมันเสียมันก็มีทางกี่อย่ารักหักห้ามป่าตามสิ่งที่เฉียวสิ่เสียต่างๆให้ตกออกไปเพราะสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวสิ่งที่เฉียวสิ่เสียถ้าใจมีปัญญามันถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นข่าศึกสกิดตัต่อใจของตัวต่อความสุขของตัว ต่อความต้องการของตัวถ้าหากมันไม่มีปติัญญามันไมหนีว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวมันจึงหนีกัวคิดไปพูดไปกระดวกสบายเพราะไม่ถือว่าเป็นภัยอันตรายอะไรเหมือนกันกับคนที่รู้จักว่ามีตัวนี้เป็นอสารพิษเกาสามารถเล่นได้จับได้แต่ทราบว่ามันเป็นสารพิษถ้ามันจับ มันกัดมันต่อยเมื่อไรเจอรับไทยถึงความตายเขาไหยสามารถที่จะไปจับไปต้องมันพราะเบื่อพิษไทยของมันที่ดวกเราท่านกับทํานองเดียวกันเห็นขีเลี่ยนปัญหาอาสวะต่างๆที่เกิดขึ้นจับใจเป็นมิตรเป็นของหยุดของดีมันจริงเท่าไหร่ก่อนยามให้มันจริงมันคิดไป ใจมันเป็นกำเริศเกิดตารใจมันจึงหนูมีความสงบระงับให้พอยินดีเติมใจสิจะส่งเสริมมันแต่เห็นว่าเป็นภัยอันตรายก็เกิดขึ้นนั่นกน่อนจะต้องชำรุดโดยอุบายปัญญาแงสอนตัวนี่นั้นเลยเห็นแบบเป็นภัยอันตรายอย่างนั้นจึงพอใจ ยึดมันดม่นพื้อมั่นใช้คิดคิดตามพยายามพิจารณาเรามาบวชมาศึกษามาปฏิบัติกายวาจาใจของตัวไม่ใช่มาสะสมควา ม, วมาาทั่วมาสร้างกิเลสปัญหานักบวชโดยส่วนใหญ่ไม่มีการงานหน้าที่อะไรถันแล้วจะเดินจงกรมภาวนาตลอด วันตรวจคืนจะมีใครมาเกี่ยวข้องไม่มีใครมารบกวนแต่ถ้าฉันแล้วยิ่มแล้วไปหลับไปนอนไปเตินไปเพลินวันเวลามันก็คอยเราอยู่เหมือนกันหมดวันนั้นวันนี้เดือนนี้ยี่นี้เรื่อยไปเราไม่ได้อะไรจากการเบื่เมื่อร่างกาย จิตใจเลยมีอัดมีทำ ม, มีแต่กินแต่นอนเท่านั้นกําลังของกายก็มีกําลังของใจสืบซากใส่ในเรื่องกิเลสมันกกพวีคูณขึ้นขนที่ติดก็ไปกันใหญ่อยู่ในวัดตั้งเจกาย ใ, ใจใมันไหลไปตามสัญญาอารมณ์ของโลกกลายเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นผ้าเหลืองเห็นวัดเห็นลา เปนารกณเป็ น, น, เปนเอเวจีไม่มีความสุขความสบายให้เห็นคาราวาสหยาโยงเห็นหรูปเห็นเสียง เ, เรื่องต่างๆของโลกสนุกสบายเพื่เอเชิญมัวเมาเอาใจในอยู่นี่คือการเหนื่อยช้ำละสะสารจิตใจของตัวยังปวดแสบกาในต่างหน้าต่างชาปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวมันเป็นอย่างนั้น นักบวชยึ่งอยู่ในศาสนาไม่ได้หาความสุขความสบายไม่ได้หาความเยือกเย็นไม่ได้เพราะใจไม่อยู่ในวัดใจไม่อยู่ในอัตในธรรมถ้าหากเราทำาน้าสาสางจิตใจของเราหยิ่งจะกินจะเล่นจะหลับจะนอนขบฉันแล้วตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาดูกรรมฐานดูกายดูใจของตน สิ่งที่มันเป็นข่าวสตบสูสัตรทธ์สังสารอยู่เรื่อยเรื่อยมีสติมีปัญญาสอนตัวความเชื่อทุกอย่างไม่เห้เกิดผิดมีอยู่สัมรทธไปใจมันก็มีวันสะาใจมันก็มีวันสงบไม่มีใครในโลกที่จะมีโชคลาภดีดิเศษเท่ากับนักบวชนักบวชเย็นมากสบายมาก นอนกนอนคนเดียวไม่มีใครมารบกวนยิ้มก็ยิ้มอย่างสะดวกสบายเขาหามาให้อยู่ในร่มในเงาในเต่ายิ้ต่างแดดต่างฝนเหมือนคารวาสเขามันถูกมันสบายทุกส่งทุกอย่างหนึ่งห่มก็ขาหามาให้เช่นยดย้อม นุห่ห่มสะดวกสบายทุกอย่างมันสบายไม่ ว, วุ่นวายกังวลถใจจิตมีกังวลวุ่นวายถ้าจิตมีอับมีทำมันสุขมันสบายมันจะเศษวิเศษเพียรของสมระเพียของบรรเทิงเพียรของนักบวชจนเพียรถึงสงบจนเพียรถึงสุขจนเพียรถึงหยัดเย็นถ้าจิตใจมีอับมีทำเป็นอย่างนั้น ใจใจอย่างนี้อาจมีธรรมเดือดร้อนวุ่นวายไม่สูกไม่สบายให้เพราะใจม่นอยู่ในวงของอัดของธรรมใจจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านจะต้องงองดูจะต้องรักษาในจงเป้ขว้งหาความสุขที่อื่นใจงแต่ใจสงบใจมีอัดมีธรรมแถวนั้นมันเย็นมันถูกมันสบาย ใจใน ม, มีอดมีธรรมแล้วมันมีความสบายเพราะความไม่พอใจในเทศของตัวในความผากความเทียนทางศาสนาถึงทุกข์ยากลำบากวุ่นวายขนาดไหนพอใจเป็นผิตขาดตันหามันก็ยอมยินดีเห็นไหมเขาทำการทำงานของเขาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดิน ตลอดวันตลอดเวลาปากดำทางานต่างๆงานขนาดน้อยก็แบกก่อหามเวลาอยู่เวลากินก็เหมือนซันแทนที่จะได้กินของดีของดีไม่ลําบากอยู่จนบ้านนอกบ้านนาชาวกรรมกรแล้วบางที่มีก็ไม่ได้ล ah, <ằng> mm, ้างเพราะเหตุใดเพราะน้ำมันหนูมีมีนิดหน่อยถ้าล้างมือก็จะไม่มี ร้อนขนาดไหนต็ออาบเหงื่อตลอดวันอยู่อย่างนั้นมันคนทุกข์ทรมานขนาดไหนกว่าเขาจะได้ทิ่งต่างๆมาบังงงบังเลเขามันทุกข์มันยากมันลำบากแสนลำบากแต่เขาก็เต็มใจเขาก็พอใจเพราะเขาเป็นทาสของจิเลตุตัณหาถ้าหากเขาไม่ติดในข้องในสิ่งเหล่านั้น คนเกิดมาจะอยู่เป็นชาตเป็นเนืน้วยเป็นฆราวาสมันก็ต า, ายเมืออสันมันมีใครที่จะเหลือหลอหลอยู่ได้ความปลุกความสบายทางกายสายนักบวชถูุกมากสบายมา ก, ามากไม่ได้ยากเห่ยลำบากลำคามเพราะอาหาราการกดฉันเขาหามาให้เพียงหนึ่งเพ่ยงง่มที่อยู่จี่อาศัยเขาสั่งให้มันถูุกมันสบาย มันก็พอมองเห็นธาตุมันไม่เชื่อเรืเ่องของกิเลสปัญหากิเลสปัญหาเลยเป็นเจ้าเป็นนายของใจมันก็มีทางที่จะทิ่งขวางเรื่องคาราวาสออามาอยู่เป็นพระเป็นเนรได้นี่มันทิ้งขวางไม่ได้ถึงทุกข์ยากลําบากขนาดไหนเพราะกิเลสปัญหามันคมจิดขีดหลังนังคอของใจอยู่ตลอดเว ล, ลา กิมีสุกนอนก็อนมีสุกเป็นทุกข์อยู่ตลอดตื่นจะดึกทำการทํา ง, งานนะักเหนื่นอยขำก็ยังเหนื่อยกลับมาบ้านบ้า ง, าางาาาาาชาวบางคนตายในน้ําไปหาอยากหายกินบางคนตายในป่าในดงพาเงนเดินจงกลมตายในถนนบนทางมีไหมนั่นงพอยาบาตายนในส ต, ตนิมีไหมไม่ค่อยมีนะเพราะมะไรตัง หน้าต่างตาทํากันจริงจังถ้าทํากันอย่างฆราวาสเขาเอาใจใส่อยากจะให้จิตใจพ้นกิเลสมันไม่เหลือวิอสัยมันเป็นไปได้แต่มันจะต่อแล้มันจะทุกข์ต่อจากลาบากขนาดฆราวาสเขาอยู่เขาหานักขนาดไหนเขาก็สู้เอากันจริง จ, งจิงจังๆม่อย่างนั้นก็มีคอปากขอท้อเขาก็ยังสู้ เพื่ออะไรเพื่อาเผื่อท้องคนนั้นเราอยู่นี้ขาดแชลนอะไรมันหลงเหลือหล่องความคิดมันปิดโลกกว่าเหลื่อมศิดธรรมใจมันจึงเกิดทุกข์ฉะนั้นต้องพากันทั้งอมระวังศึกษาในใจศิตขาเชือศีลการรักษากายบาจาข่างตัวไม่แหย่ไปทาไปพูดในสิ่งที่ชั่วผี่เสียทิ่พระพุทธเจ้า จรงห้ามเอาไว้ทำตามขีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสมาธิทำจิตทำใจให้นักแน่นถึงอย่างไรเราจะไม่หวันไห้เราจะไม่วกเว้ยไปตามสัญญาอารมณ์ของโลกลรวจะตังหาตัณ迦กำหนดทิกเรณากรรมฐานทือุปชาอาจารย์น้สอนเพราะทางโยธงนี้ ที่จาหนีจากกิเลสปัญหาผลทุกข์ได้ให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นในวันไหวไปตามกิเลสปัญหาที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาปัญญาที่จาเล่ให้รอดในทังขานคิดอ่อานให้ถูกต้ององย่าไปเวีงไหลใส่ฝันเอากิเลสตัญหาเป็นสาสะ ด, ดาสอนใจให้เอาทำเอาวิ่งไป เหมือนสอนใจเดี๋อวเราสอนถูกปรับตัวของเราถูกในอดในธรรมความเย็กเย็นมันจะเกิดขึ้นความสุขมันจะเกิดขึ้นความสงบมันจะเกิดขึ้นผลที่สุดเมื่อเพียงเพียงพอในเรื่องการที่นิพพยานาความทุกข์จะเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันก็เกิดขึ้นจากที่นั้น เพทุกข์มันอยู่ในใจมันหนีไปอยู่ที่อื่นศาสนาสอนให้คนรู้มันสอนให้คนหลงมันติดมันคล้องกว่รู้มันทนทุกข์กวรู้เหมือนกันมันรู้อยู่แต่มันติดมันคล้องอยู่มันทีี่พิจิรณามันศึกษามันชำระใจจะมีวันสว่างสวยใจจะมีวันสุขวันสบาย เรื่องของกายเนี่ยว่าคลรวาบมิบันพรคิดมันก็มีโรคไข้ไข่เสดมีการแปรเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันจะไปอยู่สถานที่ใดมันไม่มีวันเวลามันที่จะลืมตัวมันมาถีบเพราะมันแข็งก็เจ๋ออยู่เรือยไปผลที่สบถึงวันที่เวลามันตายจะนั่งเข่งยินมจะเหยีดาวเทียมไยสถานที่ใดมันก็ตายอีกเหมือนกัน ไม่มีที่ไหนที่เล่นจากความตายไ ด, ได้เพราะเกิดแล้วจะต้องมีดับจะไปสงสัยอะไรต่างใจสงบต่างใจพิจารณาต่างใจทํจนะาทความเพียรเสียละกิเลสคนที่ต่างหน้าต่างตาศึกษาพยายามปฏิบัติกายาจาใจท่องตนอยู่ในว ง, องอท่องอัดท่องธรรมคนนั้น หน่าสรรเสริญหน่าชมเชยหน่าราบไหวหน่าบูชาตัวของตัวเองกว่าไม่มีทางกันหนึบว่าตัวเสือตัวเสียปล่อยวันเวลาให้จนหมันคนอื่นเผื่อไปที่มาเห็นเขา้าเขาก็ยินดีจนใจเหลื่อมใสศรัทธาเพราะตัวของเราเองไม่มีโทษมีทุกข์ เขาควรที่จะมาจับผิดความเสี่ยงความเสีย อ, อะไรเพราะเราไม่มีผิดเขาก็จับไม่ได้จริงใดเขาอยากรู้อยากเห็นว่ดาดีว่าเด่นว่ า, วาสุขวสบายก็ามาศึกษาเราก็พ อ, ออธิบายให้เขาฟังได้เราเย็นคนมาเกี่ยวข้องมันก็เย็นเราร้อนคนมาเกี่ยวข้องมันก็ร้อน พยายามทำใจทัองตัวให้ใสงบให้สุขให้สบายพวกนี้ไม่มีอะไรที่จะวุ่นวายยิ่งกว่าจิตกว่าใจไม่มีอะไรที่จะสงบสุดยิ่งกว่าจิตกว่าใจอีกเหมือนกันฉะนั้นใจจึงเป็นอย่างสาคัญที่พวกเราควรมองข้ามจะต้องดูแลรักษาด้วยสติปัญญาสรรมะสิ่งที่เชื่อทีอเสียให้ตกให้หมดออกไป หายใจบริสุทธิ์หายใจสงบมันมีทางทําได้ไม่ใช่ว่ามันเหลือวิสัยแต่มันมเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าท่านในนี้สอนคําสอนยังอยู่เมื่อใดมรรคผลจะยังอยู่เมื่อนั้นเมื่อบุคคลประบฤติปฏิบัติตามถึงคําสอนจะยังอยู่บุคคลไม่ปฏิบัติปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าในรักษากายวาจาจิตใจท้องตัวให้ถูกกับอัจกับทำแล้วมันก็เลยมีสาระประโยชน์อะไรเป็นโมฆะเป็นหมันสำหรับคนเหล่านั้นอัจทำคำสอนของพรดพุทธเจ้าใน่้ามาถที่จะส่องแสงไปถึเพราะจิตใจไม่รับ อาจทำสื่พอพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนจิตใจของเราเป็นอย่างไรเปลื ต, ตาที่เยนาไหมมันอยู่ในอดในธรรมหรือมันไหลไปสู่เรื่องของโลกจงเปลื ต, ตาที่เยนาตัวเองตัวไม่รักษาตัวไม่มีใครจะรักษาให้พยายามสอนใจของตัวความดีที่มีอยู่แล้วอย่าให้หายไป เสียไปความดีใหม่จะเวนดจะได้กจะถึงพยายามสะสมก่อสร้างกระทําขึ้นความเสื่อจีนอยู่แล้วชำระไปความเสื่อใหม่จะหามาทับถมเต็มที่จิตใจของตัวยู่เชื่อสู่บ่เปฏิบัติดูดีดูเชื่อดูอย่าดูผลในตนของตนอย่าไปดูอันอื่น เราไม่รักษาทำทมก็ไม่รักษาเราเราจะอาโอกาสเวลาใดจะประทพิจใส่าทองตัวให้ถูกต้องตามอาาัตตามธรรมวันคืนปีเดือนหนผีของเขาเป็นอย่างไรเขาก็ไปอยู่อย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องมันไปแล้วตายไปกว่าอย่างนึกว่าวันคืนปีเดือนมันจะหมดไปมันยังคง คงว่าเข้ามันอย่างนี้โลกมันเหมือนไปวนไปสมมุติมันไม่หมดไม่นในใสิ้นแต่จิตของเราหลงอย่างเยอะเท่านั้นมันก็ไมยมีวันที่จะพ้นไปจากทุกจากโทษได้จิตที่หลงก็คือจิตที่มีปัญญาศรัทธาความเพียอในทางศาสนาตรงที่นี้พี่เจนาจะทําบําเพ็ญ จะมีใครที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากเราจะช่วยตัวของเราเองออกปัญหาที่เหลืยมันปัญหามันก็เลยออกไปด้วยในปัญหาควรเชื่อว่าจิตใจมันจะอยู่ภายในอาจในธรรมถ้าเราไม่รักษาวันเวลาจึงมีความหมายอะไรสําหรับเกีที่ินิยมความหมายในตัวถ้าคนมีความหมาย วันเวลาทผ่านไปมันจะมีความหมายไปด้วยเพราะเรามีความหมายทําลัสายสานจิตใจวันนั้นเดารู้ได้เห็นเกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ต่างๆในการที่มีจิตใจนะมันมีความหมายไปถึงการทุกเวลาค่ะเรามีความหมายแต่เราไม่มีความหมายมันเลยไม่มี ความหมายอะไรวันเพื่อนที่ผ่านไปนี่แต่ความหมายใกล้จะาตายไปทุกวันเท่านั้นผลที่สึกถึงถึงความตายตายก่แตกไปตามหนา้าที่ของมันดินน้ำลมไฟก่ไปตามเรื่องจิตใจที่ไร้คุณค่ณาไม่มีอาจทำอะไรก็อสัญจรไปหาพบหาชาติตามกรรมที่สร้างเอาไว้ จงพากันพยายามแห น, นสอนฝึกหัดดัดจิดดัดใจของตัวให้เข้าสู่อัดคำที่พระพุทธเจ้าสอนเหืือทุกคน้นใจตั้งหน้าศึกษาภาวนาตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วที่เหลือปัญหาจิตใยหนาแน่นกว่าจะตกจะหลุดออกไปใจจี่เจเหืด บ, บอดกว่าจะสว่างสวัยความเดือดร้ อ, อนวุ่นวายทั้งใจ จะหายไปเหลือแต่ความสงบเย็นอยู่ภายในย น, นี่คืออนิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นขอทุกท่านจงนําไปที่นีีเจนาต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติพ่อจากนั้นความสุข ค, ความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติการอธิบายิธรรมเห็นว่าพอสมควรสุดเวลาเพราะดิจยันไปนี้